เวระ ง, งับด้วยการไม่จองเวรต่อมาสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดมห า, าธาตุถึงมรณภาพแล้วสมเด็จพระวรรณรัตน์เส่งวัดอรุณเป็นเจ้ า, าคณะกลางครั้งนั้นพระอันดับในวัดระคังทะเลาะ ก, กันและฝ่ายหนึ่งได้ตีฝ่ายหนึ่งศีรษะแตกฝ่ายศาีรษะแตกได้เข้าฟ้องพระเทพกวีเจ้าอาวาส เจ้าอาวาสก็ชี้หน้าว่าคุณตีเขาก่อนพระองค์หัวแตกเถียงว่าผมไม่ได้ทําอะไรองค์นั้นตีกระผมประเทพกวีโต้ว่าก็เธอตีเขาก่อนเขาก็ต้องตีเธอบ้างพระก็เถียงว่าเจ้าคุณเห็นหรือประเทพกวีเถียงว่าถึงฉันไม่ได้เห็นก็จริงแต่ฉันรู้อยู่นานแล้วว่าคุณตีเขาก่อนคุณอย่าเถียงฉันเลย พระองค์ศรีรษแตกเสียใจมากจึงได้อุตส่าห์เดินลงไปวัดอรุณข้าอุทธรต่อสมเด็จพระวรรณรัตเส่งเจ้ า, าคณะกลางสมเด็จพระวรรณรัตเส่งจึงเรียกตัวพระเทพกวีโตไปชําระตามคําอุทธรพระเทพกวีโตก็โต้คําอุทธรและตอบสมเด็จพระวรรณรัตว่าผมรู้ดีกว่าเจ้คุณอีกเจ้คุณที่รู้แต่ว่าเห็นเขาหัวแตกเท่านั้นไม่รู้ถึงเหตุในการเดินมูลกรณี ผมรู้ดีว่าคุณองค์นั้นได้ตีคุณองค์นั้นก่อนแต่เขาบอ่อห่อนจะรู้สึกตัวเขามามัวแต่ถือหัวหัวเข้าจึงแตกสมเด็จพระวรรณรัตเส่งฟังฟังก็นึกแปลกแยกวินิจฉัยก็ไม่ออกกลับจะเป็นคนถือเอาแต่คำบอกจึงย้อนถามว่าเจ้าคุณเห็นอย่างไรจึงรู้ได้ว่าพระองค์นี้ตีพระองค์นั้นก่อนแจ้งให้ฉันฟังสักหน่อยให้ลาเห็นบ้าง จะได้ช่วยกันระ ง, งับอธิกรณ์พระเทพกวีว่าพระเดชพระคุณจะมีวิจารยกขึ้นพิจารณาแล้วกระผมก็เต็มใจอ้างอิงพยานถวายพระวันรัตว่าเอาเถอะผมจะตั้งใจฟังเจ้าคุณที่พยานอ้างอิงมาพระเทพกวีจึงว่าผมทราบตามพุทธดีกาบอกให้ผมทราบว่านาหิเวลานิวูปสัมปันติ ว่าเวรต่อเวรย่อมเป็นเวรกันร่ำไปถ้าจะระ ง, งับเวรเสียด้วยไม่ตอบเวรเวรย่อมระ ง, งับนี่ล่ละพระพุทธเจ้าบอกผมเป็นพยานกระผมว่าเวรต่อเวรมันจึงทำกันได้ผมเห็นตามคำพระพุทธเจ้าบอกผมเท่านี้ผมจึงวิจารณ์พิจารณากล้ากล่าวได้ว่าคุณตีเขาก่อนสมเด็จเทวรรัศเซชักงงใหญ่จะเถียงก็ไม่ขึ้น เพราะท่านอ้างพุทธภาสิตจึงล้มเข้าหาพระเทพกวีโตว่าถ้ากรณ น, นั้นเจ้าคุณต้องระ ง, งับอธิกรณ์เรื่องนี้ว่าใครเป็นผู้ผิดผู้ถูกโทษจะตกกับผู้ใดแล้วแต่เจ้าคุณจะตัดสินเถิดพระเทพกวีโตมัดคำพระวรรฐว่าพระเดชพระคุณอนุญาตตามใจผมผมจะชี้โทษชี้คุณให้ยินยอมพร้อมใจกันทั้งคู่ความทั้งผู้พิพากษา ให้อาธิการระ ง, งับได้ให้เวนระ ง, งับด้วยสมเด็จพระวรนรัตก็อนุญาตพระเทพกวีโตก็ประเลาประโลมโน้มน้าวกล่าวรรมิกถาพันานาอานิสงของผู้ระ ง, งับเวนพันานาโทษของผู้ต่อเวีนให้โจทย์จำเลยสลดจิตคิดเห็นบาปบุญคุณโทษปราโมทเข้าหากันท่านจึงแก้หอภัะไตรออกกับเงินอีกสามตำลึง ทำควันองค์ที่ศีรษะแตกแยกบทชีเป็นสามสถานผู้ตีตอบเอาเป็นบทเวนจกไม่ตีใครต่อไปถ้าขืนไปนตีใครอีกจะโทษว่าเป็นผู้ก่อเวนฝืนต่อพระปรบวรพุทธศาสนามีโทษหนักฐานละเมิดผู้ที่ถูกตีก็ระ ง, งับใจไม่อาฆาตไม่มุ่งร้ายต่อก่อเวนอีกถ้าขืนคดในใจทำหน้าไหว้หลังหลอก เอาฉันเป็นผู้ครองถ้าคืนฟ้องร้องกันต่อไปว่าฉันเอ็นเอียงไม่เที่ยงธรรมแล้วจะต้องโทษฐานบังอาจหาโทษผู้ใหญ่โดยหาความผิดมิได้ทั้งจะเป็นเสี้ยนน้าต่อพระบวรพุทธศาสนาเป็นโทษใหญ่ร้อนถึงรัฐบาลจะต้องหลงอาญาตามระบินเมืองฝ่ายฉันเป็นคนผิดเอาแต่ธุระอื่นไม่สอดส่องดูแลลูกวัดไม่ค่อยชี้แจงสั่งสอนอันเตวาสิก สัตวทวิหาริหรือสิทธิ์ให้รู้ธรรมรู้วินัยจึงลงโทษตามพระวินัยว่าไม่ควรยอมเป็นโทษแท้ของคดีเรื่องนี้จะเลิกระงับไปตามวินัยนี้พระฐานาที่นั่งฟังทั้งมหาปรเรียนและพระอันดับพระคู่ความก็สาธุการเห็นดีพร้อมกันอย่างเย็นใจพระวันรัตเส่งก็เห็นดีสงบเรื่องลงเท่านี้ ขอฝากตัวด้วยครั้งหนึ่งประวัติระคังเต้นดาท้าทายกันขึ้นอีกคู่ประเทพกวีโตท่านเอกเคนกนั่งอยู่นอกกุฏิท่านท่านหลเห็นเข้าทั้งได้ยินพระทะเลาะ ก, กันด้วยจึงลุกเข้าไปในกุฏิจัดดอกไม้ทูบเทียนใส่พานรีบเดินเข้าไปในระหว่างวิวาทสุดองค์ลงนั่งคุกเข่าไปถวายดอกไม้ทูบเทียนพระคู่นั้น และอ้อนวอนฝากตัวว่าพ่อเจ้าประคุณพ่อจงคุ้มฉันด้วยฉันฝากตัวกับพ่อด้วยฉันเห็นจริงแล้วว่าพ่อเก่งเหลือเกินเก่งพอได้เก่งแท้ๆพ่อเจ้าประคุณลูกฝากตัวด้วยพระคู่นั้นเลยเลิกทะเลาะ ก, กันมาคุกข่าวกราบพระเทพกวีโตพระเทพกวีโตก็คุกข่าวกราบต่อพระกราบกันอยู่นั่นมอบกันอยู่นั่นนาน สมัมมามมรินกินน้ำชาครั้งหนึ่งสมเด็จพระยามหาศีสุริยวงศ์ช่วงนิมนต์เข้าไปเทศที่จวนสมเด็จพระยาจุดเทียนพระเทพกวีขึ้นทารร ม, มาศรับศีลเสร็จแล้วพวกหัวเมืองเข้ามาหาสมเด็จเจ้าพระยาหมอบกันเป็นแถวส่วนตัวเจ้าพระยานั้นเอกเคนกรินน้ำชาไข่ห้างกำลังฟังพระเทศ พระเทพกวีเลยเทศว่าสัมมามัวรินกินน้ำชามิจฉาหมอกก้มประนมมือสมเด็จเลยบาดหูลุกเข้าเรือนส่วนพระเทพกวีโตก็ลงจากธรร ม, มารกลับวัดระฆังข่าวว่าตึงกันไปนาน